162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกหสิก59ดูกระอาโนนก็ด้วยประการดังนี้แลคำนี้คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาบ เพราะอาศัยลาบจึงเกิดการตกลงใจเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการรักใคร่พึงใจเพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพะวง์เพราะอาศัยการผะวง์จึงเกิดความยึดถือเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรานี เพราะอาศัยความตรนีจึงเกิดการป้องกันเพราะอาศัยการป้องกันจึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้นอากูุศุรธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียด และการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นคำนี้เราเกล่าวไว้ด้วยประการัชนีแลดูกระอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแมน้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวว่าเรื่องในการป้องกันอากุศลธรรมอันชั่วช้าลามกไม่ใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีด การทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นโดกระอาโนนก็ถ้าการป้องกันมิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งโหนเมื่อไม่มีการป้องกันโดยประการทั้งปวง เพราะหมดการป้องกันอากูสลรธรรมอันชั่วช้าลามกไม่ใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามืองมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จจะเพึงเกิดขึ้นได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า เพราะเหตุนั้นแหละอาโนนเหตุนิทานสมุทยปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมอันชั่วช้าลามกเหล่านี้คือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามืองมืองการกล่าวคำสอดเสียดและการพูดเท็จ ก็คือการป้องกันนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรีจึงเกิดการป้องกันเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความตรีจึงเกิดการป้องกัน ดุกระอานน์ก็ท่าความตรนีมิได้มีแก่ใครในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความตรนีโดยประการทั้งปวงเพราะหมดความตรนีการป้องกันจะพึงปรากฏได้บ้างไหมายไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทยัย ปัจจัยแห่งการป้องกันก็คือความตรนีนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรนีเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรนี ดุกระอาโนนก็ถ้าความยึดถือมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความยึดถือโดยประการทั้งปวงเพราะดับความยึดถือเสียได้ความตระณีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอาโนนเหตุนิทาน สมุทัยปัจจัยแห่งความตระณีก็คือความยึดถือนั้นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการพระวงจึงเกิดความยึดถือเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระรอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะอาศัยการพระวง์จึงเกิดความยึดถือโดกะระอาโนนก็ถ้าการพระวง์มิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการพระวง์โดยประการทั้งปวงเพราะดับการพระวงค์เสียได้ความยึดถือจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า เพราะเหตุนั้นหละอาโนนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งความยึดถือก็คือการพะวงนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพะวงเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความรักใคร่พึงใจจึงเกิดการเพราะวงดูกร ะ, ระอาโนนก็ถ้าความรักใคร่พึงใจมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความรักใคร่พึงใจโดยประการทั้งปวงเพราะดับความรักใครพ่พึงใจเสียได้ การพระวงศ์จะเพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งการพระวงก็คือความรักใคร่พึงใจนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูกระอาโนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจดูกระอาโนนก็ถ้าความตกลงใจมิได้มีแก่ใครๆ ใ, ในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหน เมื่อไม่มีความตกลงใจโดยประการทั้งปวงเพราะดับความตกลงใจเสียได้ความรักใคร่พึงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอาโนนเหตุนิทานสมุทัยปัดใจความรักใคร่พึงใจก็คือความตกลงใจนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยลาบจึงเกิดความตกลงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดกระอาโนนเธอพึง